เรื่องไม่ใช่เจ้าของเจ็ดเรื่องสมัยนั้นพวกคนเฝ้าสวนมะม่วงได้ถวายผลมะม่วงแก่ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุมีความรังเกียจว่าชนเหล่านี้มีหน้าที่เฝ้าไม่มีสิทธิ์จะถวายจึงไม่ยอมรับแล้วนําเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ต้องอาบัติเพราะคนเฝ้าถวายวงเล็บเรื่องที่124 สมัยนั้นพวกคนเฝ้าส่วนว่าได้ถวายผลว่าแก่ภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุมีความรังเกียจว่าชนเหล่านี้มีหน้าที่เฝ้าไม่มีสิทธิจะถวายจึงไม่ยอมรับแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่ต้องอาบัดเพราะคนเฝ้าถวายวงเล็บเรื่องที่125สมัยนั้นพวกคนเฝ้าสวนขนนลสำปลอ